1.27 สสมถะหรือวิปัสสนาควรทำเมื่อใดถ้าเมื่อใดเราสามารถรู้กายรู้ใจได้ไม่ต้องไปทำสมถะตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาทำวิปัสสนาแต่ถ้าเมื่อใดรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ไปทำสมถะไปคิดพิจารณาธรรมะเอาเป็นเครื่องอยู่ที่ดีดีกว่าไปคิดเรื่องโลกโลกแล้วจิตใจว้าวุ่นขึ้นมาใช้หลักนี้นะถ้าหากเราดูจิตได้เรารู้ทันจิต ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ก็รู้ร่างกายเอาไว้อย่างบางคนทำงานหนักเหนื่อยเดินไปห้องน้ำดูจิตไม่ได้หัวหมุนไปหมดแล้วก็ดูร่างกายมันเดินดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูทั้งกายทั้งจิตไม่ได้ก็ไปคิดพิจารณาธรรมะหรือไปทำความสงบอย่างอื่นขึ้นมาเป็นเวลาของการทำสมถะถ้าจิตสงบแล้วก็อย่ามัวแต่คิดนะเสียเวลา เพราะปัญญาที่เกิดจากการคิดเอาเรียกว่าจินตามยปัญญาไม่ฆ่ากิเลสต้องเป็นภาวนามยปัญญาถึงจะฆ่ากิเลสได้